จเจริญสุขท่านสาธุชนและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็มาบรรยายเรื่องของท่านพระอักรสาวกทั้งคู่ต่อซึ่งยังค้างอยู่ในวันก่อนท่านภาษาลีบุตรนั้นเมื่อได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระรหันต์ <c oughs> เพราะได้ฟัง พระธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงโปรดทีฆะนักคิเวสนโคตรเกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิสามประการและเวทนาปริฆหาสูตรแล้วปรากฏท่านถวายงานพัดอยู่ทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนานั้นจิตก็หลุดพ้ น, น, นจากอาสวะไม่ถือมั่นหรืออุปาทาน จึงได้เป็นพระรหันต์เกิดขึ้นในโลกอีกท่านภาษาลิบุตรนั้นเมื่อได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระรหันต์แล้วปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดมากได้เป็นกำลังใหญ่ของพระบรมศาสดาในการประกาศพระศาสนาและเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์ พระพุทธองค์นั้นทรงยกย่องว่าท่านภาษาลิบุทนี้เป็นเลิศ ก, กว่ า, ภ า, ภ า, ภาพิสูจ์ทั้งหลายในทางปัญญาซึ่งมีปัญญาสามารถที่จะแสดงพระธรรมจักและอริยสีประการนั้นให้กว้างขวางพิสดารได้เหมือนเช่นกับพระองค์เหมือนกันใช่แต่เท่านั้น ท่านยังมีคุณความดีที่พระองค์ทรงยกย่องอีกเป็นหลายสถานเ้วยกันดังจะขอยกมาแต่ที่สำคัญสคัญดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งทรงยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนปัญญคิดด้วยกันซึ่งมีครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดานั้นทรงเสด็จประทรับอยู่ที่กรุงเทวะทหา ภิกษุพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ทูลลาเพื่อจะไปปัตฉาภูมิชนบทพระองค์ก็ตรัสว่าพวกเธอนั้นเปลาพี่ชายเธอรึอเปล่าพี่ชายใหญ่เธอคือ พ, พระสารีบุตรรอเปล่าภิากษุเหล่านั้นบอกว่ายังไม่ได้เปลาพระองค์ก็ทรงแนะนาว่าให้ไปลาเสียเพื่อท่านพระสารีบุตรนั้นจะได้แนะนำสั่งสอนในการไปของพวกเธอ จะได้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นนี่ก็แสดงว่าพระองค์นั้นทรงเห็นว่าธรรมปสาริบุตรมีความสําคัญนอกจากจะลาพระพุทธพระองค์แล้วก็ให้เวลาธรรมปสาริบุตรด้วยประการที่สองนั้นโยอทรงยกย่องธรรมปสาริบุตรนี้ว่าเป็นคู่กับพระโมคคัลลานะเช่นในไตรแกร่พิสุทธิ์ทั้งหลายว่าพิสุททั้งหลาย ท่านทั้งหลายพึงคบภาษาลิบุตรพึงคบสาษีลบุตรแก่มโมคะลานะเถิดเธอทั้งคู่นั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาอนุเคราะห์พรหมจารีเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันสาราิบุตรนั้นเปรียบเหมือนบรรดาผู้ให้เกิดโมคะลานะเปรียบเหมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกที่เกิดแล้วคือท่านภาษาลิบุตรนั้นย่อมแนะนํา ให้ตั้งอยู่หรือว่าให้บรรลุโสดาปติพล์ส่วนพระโมคคัลลานะนั้นแนะนําให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมเบื้องสูงสูงขึ้นไปคือให้บรรลุพระสะกิทาคาอนาคาและอรหัตผลสูงสูงขึ้นไปด้วยเหตุนี้จึงมีคํายกย่องว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาท่านพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกฝ่ายตาย ในข้อนี้นั้นบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่า <c oughs> ตามที่กล่าวไว้แล้วว่าท่านภาษาลิบุตรนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากขนาดที่ตามตำนานได้กล่าวว่าสามารถที่จะนับเมล็ดฝนที่ตกได้หรือว่าสามารถที่จะไปนับเม็ด้ายที่กำขึ้นมาได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ จนกระทั่งองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าพิสุทั้งหลายในด้านปัญญาแต่ทําไมาเมื่อพระองค์นั้นได้ตราศจากพิสุทั้งหลายได้ทรงเปรียบเทียบท่านภาษาลิบุตรว่าเปรียบเหมือนบรรดาผู้ให้เกิดคือภาษาลิบุตรนี่ย่อมแนะนําให้ย่อมแนะนําให้ประชาชนทั้งหลายหรือว่าสหธรรมิทั้งหลายนั้น สามารถตั้งอยู่ในบรรลุโสดาปิผลได้แต่พระโมคคัลลานะซึ่งมีปัญญาน้อยกว่าพระองค์ทรงเปรียบเหมือนนางนมผู้เลี้ยงถาลบคือท่านพระโมคคัลลานะนี้สามารถแนะนําให้บรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปกว่าพระโสดาปิผลนั้นบางท่านอาจจ ะ, จจะสงสัยทําไมพระโมคคัลลานะซึ่งมีปัญญาน้อยกว่าท่านภาษาลิบุตรนี้ แต่สามารถที่จะแนะนำให้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงกว่าภาษาริบุตรได้อันนี้ขอให้เราคิดถึงความหลักของความจริงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสอนคนไม่รู้เรื่องให้รู้เรื่องหรือสอนเด็กเพิ่งจะเริ่มที่จะให้เรียนหนังสือให้รู้กอขอกอกาเนี่ยง่ายหรือเปล่าหรือว่าเป็นการยากกับการที่จะสอนแนะนำบุคคลที่ สำเร็จเตรียมอ่าสำเร็จการศึกษาชั้นขั้นมัธยมมาแล้วมาศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัยให้ได้ให้สำเร็จเป็นบัณฑิตต่อไปอันไหนง่ายกว่ากันการที่สั่งสอนให้คนที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างเกินเด็กเล็กเนี่ยให้อ่านกอขกกาได้ออกเนี่ยเป็นการยากมากแต่สอนคนที่รู้แล้วเห็นสำเร็จการศึกษา ชันมัธยมมาแล้วเนี่ยแนะนําเพียงนิดเดียวก็เพราะของเคยรู้แล้วแนะนําให้อ่าในการศึกษาที่สูงไปเพียงเล็กน้อยนีย่ก็สามารถที่จะรู้ได้ชั้นใดก็ดีการที่แนะนําให้บุคคลเนี่ยบรรลุโสดาปฏิผลซึ่งเป็นขั้นแรกเป็นภระยะบุคคลขั้นแรกนี้จึงนับว่าทําได้ยากมากกว่าการที่จะแนะนําบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันแล้วให้บรรลุเป็นพระสกทาคามีอนาคามีหรือพระหรหันต่อไป ดังนั้นพระองค์จึงได้เปรียบเทียบอย่างนั้นและก็ได้ยกย่องพภาษาบกทั้งสองว่าเป็นอัครส า, าวกขวายขวาคือท่านภาษาริบุตรและท่านพระโมคคัลลานนี้เป็นอัครส า, าวกฝ่ายซ้ายในข้อที่สมนั้นมีคําเรียกยกย่องท่านภาษาลิบุตรอีกประการหนึ่งว่าพระธรรมเสนาบดีึ่งพระธรรมเสนาบดีก็เป็นคู่กับ พระธรรมราชาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นดํารงตําแหน่งในฐานะเป็นพระธรรมราชาคือเป็นพระราชาแห่งธรรมท่านภาษาลิบุตรนี้ก็เป็นมือขวาของพระพุทธองค์หรือเป็นอัครส า, าวกขวายขวานี้รองจากพระองค์ลงมาจึงได้มีออ่าจึงได้ทรงยกย่องเรียกกันว่าพระธรรมเสนาบดี ท่านภาษารีบุตรนี้ยังมีคุณความดีที่ปรากฏในตำนานอีกมากที่สำคัญก็คือว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปฏิภาณในการแสดงพระธรรมเทศนาคือชี้แจงแสดงให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจได้อย่างชัดเจนมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งว่ามีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่ายามกกะมีความเห็นเป็นทิฏฐิว่าพระคีนาศตตายแล้วระดับศูนย์ พิสูจทั้งหลายคัดค้านข้านเธอเห็นว่าอย่างนั้นผิดแต่เธอก็ไม่เชื่อแต่เมื่อพิสูจน์เหล่านั้นไม่อาจจะเปลืองเธอจากความเห็นนั้นได้จึงได้นิมนต์ท่านภาษาลิบุตรไปช่วยชี้แจงให้ฟังเธอจึงได้หายความเครือข่างสงสัยไปได้นี่ก็นับว่าท่านภาษาลิบุตรนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถยักย้ายการอธิบายนั้นจนกระทั่งที่ ให้ผู้ไม่เข้าใจนั้นใ ห, ให้ได้เกิดความเข้าใจให้หายความเคลือบแคลงสงสัยได้อีกประการหนึ่งนั้นท่านพระสารีบุตรนี้เป็นยอดแห่งความระทญญูกต เ, เวทีข้อ น, นี้พึงเห็นตัวอย่างได้ท่านพระสารีบุตรนี้ได้บรรลุคือได้ธรรมาจากสุขหรือได้ดวงตาให้ทำได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนั้นก็เพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระอัจฉิเทละ เป็นผู้แสดงตั้งแต่ครั้งตนนั้นยังเป็นอุปติสสะปริภาชกดังนั้นท่านนั้นจึงถือว่าพระอัศิเทระนี่เป็นอาจารย์องค์แรกที่เป็นผู้แนะนำทางสว่างให้แก่ท่านหรือให้ท่านได้บรรลุคุณธรรมพิเศษเมื่อเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งแต่นั้นมาท่านก็นบถือพระอัจิเนี่ยเป็นอาจารย์ทาความเคารพอยู่เสมอ ทั้งๆ ท, ที่พระอาชิเถระเนี่ยท่านไม่ได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาเป็นแต่เพียงว่าจัดเข้าในพ ร, ระมหาเถระผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ท่านภาษาลิบุตรนี่ได้รับยกย่องเป็นผู้ที่มีเกียรติมากท่านก็ให้ความเคารพต่อท่านพระอาชิเถระผู้เป็นอาจารย์แม้ได้ยินข่าวว่าท่านพระอาชิเนี่ยเถระเนี่ยอยู่ในทิศใดเมื่อท่านจะนอนท่านจะจำวัดท่านจะ นมัสการไปทางทิศนั้นแล้วก็นอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นทางทิศที่อาจารย์อยู่เป็นการให้ความเคารพกับอาจารย์แม้ทั้งๆที่ว่าอยู่ในวิหารอันเดียวกันกับพระพุทธองค์ก็ตามคืออยู่ในวัดเดียวกันก็ยังเวลาจะจำวัดนั้นก็ยังได้หันศีรษะ ย, ยังได้กราบไปทางทิศที่ท่านพระอัจฉิเทละอยู่แล้วก็หันศีรษะไปทางนั้น นี่เรียกว่าเป็นการให้ความเคารพต่ออาจารย์อย่างนี้ที่ตนเองได้ทำพิเศษขึ้นมาก็เพราะอาศัยอาจารย์ธรรมอสชิเทระได้แสดงธรรมคบนี่นับว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูและอีเรื่องหนึ่งก็คือาาลาทพราลลาทพรา์ผู้นี้ครั้งหนึ่งที่ท่านได ไปิณบาตอย่างกรุงราชคลึกนั้นลาธพรามนี้ได้ถวายอาหารทัพพินต่อมาทาทพรามนี้ลูกและพัญญาไม่เลี้ยงดูก็จึงได้มาอาศัยจึงได้มาอาศัยเลี้ยงชีพ อ, อยู่คือเรียกว่าเข้ามาอาศัยข้าวกลบบาของพระในพระเชตวันอยู่ในพระเวรุวันอยู่ต่อมาลาธพรามผูนี้เป็นมีศรัทธาอยากจะบวช แต่ไปขอให้ภิกษุรุ่มใดรุ่นใดบวชก็ไม่สะไม่ไม่มีบุคคลใดภิกษุรุ่มใดจะบวชให้ยอมบวชให้เพราะเห็นว่าเป็นเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้แก่จนกระทั่งพระพุทธองค์ทรงมาประสบเห็นเข้าเห็นลาทัาพราหมณ์นี่มีร่างกายหม่นหมองจึงได้สอบถามดูก็ทราบว่าที่ตนมีความร่างกายเศร้าหมองนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าต้องการจะบวชแต่ไม่มีภิกษุองค์ใดบวชให้ พระองค์ก็สั่งไปชุมพระทั้งวัดแล้วก็ตรัสถามว่าใครได้ลึกถึงอุปการละคุณที่พารามลาทัพพราผู้นี้ได้บ้างท่านภาษาลิบุร ก, ก็จึงได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าลึกได้ว่าครั้งหนึ่งนั่นาลาทัพรามได้ถวายบิณฑบาตแก่ข้าพเจ้าทัพพีหนึ่งในเมื่อเข้าไปบิณฑบาตรกรุงะะราชคลึก ดังนั้นพระพุทธองค์นั้นจึงได้มอบให้พระสารีบุตรนี้จัดการบวชลาถพรรมณ์ให้เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาโดยที่ให้พระสารีบุตรนี้เป็นอุปชาและก็เปลี่ยนการอุปสมบทใหม่เป็นแบบยติจตุทธกรรมมาวาจาให้ทรงเป็นใหญ่ในการทําสังฆกรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านภาษาลิบุตรนี้นับว่าเป็นกําลังใหญ่ของพระบรมศาสดาในการที่จะประกาศศาสนาเป็นอย่างมากธรรมภาษิตของท่านนี้จึงมีมากเป็นอันมากเช่นในสังาขาคีติสูตรเป็นต้นยกเว้นพุทธภาษิตเส็จแล้วภาษิตของภาษาลิบุตรนี้มีมากกว่าภาษาวกองค์อืนะ่นทะั้งนั้นเนี่ยมีมากกว่าภาษาโวองค์อื่นทั้งนั้นนี่เป็นอ่า ประวัติของท่านภาษาริบุตรตอนที่ได้บรรลุอารหัตผลแล้วซึ่งได้รับยกย่องควบคู่กับท่านพระโมคคัลลานะแต่ท่านพระโมคคัลลานะนั้นได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์นั้นว่าเป็นอัครส า, าวกฝ่ายซ้ายคู่กับท่านภาษาลิบุตรท่านพระโมคคัลลา น, นีเป็นผู้ที่ ได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์นั้นว่าเป็นเลิศ ก, กว่าพิสุทธ์ทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากคือเป็นผู้ที่มีฤทธิ์สามารถที่จ ะ, สะแสดงฤทธิ์ต่างๆนานาได้ได้รับยกย่องครูของภาษาลิบุตรว่าเป็นภาษาลิบุตรเป็นบรรดาผู้ให้กำเนิดท่านก็าสามารถท่านก็เป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงที่เลี้ยงให้บุตรนั้นจเจริญขึ้นมา หลือเป็นนางนมผู้เลี้ยงทารกให้ให้จเจริญขึ้นมาท่านพระโมคคัลลา น, นี้พระธรรมเทศนาของท่านรู้สึกจะไม่ค่อยจะมีนะักที่มีแต่ว่าว่าที่ให้แก่พิสุสง์ก็มีในอนุมานสูตรว่าโดยธรรมอันทําให้เป็นบุคคลผู้ว่าอยากให้เป็นผู้ว่าง่าย แต่ว่าท่านพระโมคคัลลานะนี้เป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของนกวกรรมคือการกรารร่อสร้างในครั้งหนึ่งเมื่อนางวิสาขามหาวบสสิกานั้นสร้างบุรพารามที่กรุงสาวถีนั้นพระบรมศาสดาก็ทรงมอบให้ท่านพระโมคคัลลา น, นี้แหละเป็นนกวกรรม ม, กรรมมาถากามานทิฐายีรรคือเป็นผู้ดูแลนกวกรรมคือดูแลการกรารร่อสร้าง ท่านพระโมคคลลา น, นี้เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมากสามารถที่จะไปท่องเที่ยวในสวรรค์เที่ยวถามบุปกรรมของพวกเทวดาหรือเทพธิดาต่างๆและก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวในนรกได้แล้วก็นำเอาผลกรรมอั น, นั้นมาบอกแก่ญาติของตอนญาติของสัตว์นรกเหล่านั้นที่อยู่ในเมืองมนุษย์เหล่าแบบนี้เป็นต้น จึงเป็นผู้ที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์นั้นว่าเป็นผู้เลิ่อว่าอพิสูจทั้งหลายในด้านมีลิทธ์ท่านภาษาลิบุตรกับท่านพระโมคคัลลานะนี้เป็นกำลังใหญ่ในการของพระบรมศาสดาในการประกาศศาสนานะในการประกาศศาสนาเป็นอย่างมากและก็เด้นดำรง ชนมาอยุอยู่จนกระทั่งในพรรษาที่45ของพระบรมศาสดาในพรรษาที่45ของรบรมศาสดาจึงได้นิพพานในพรรษาสุดท้ายของพระบรมศาสดาแต่พระอักษาวกทั้งคู่นี้นิพพานก่อนพระบรมศาสดาในการปรินิพพานของท่านทั้งสองนี้มีเรื่องมีตำนานและมีเรื่องมีตำนานเล่ามาว่า ในพรรษาที่สี่สิบห้านั้นองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้จำพรรษาอยู่ที่บ้านเวลุคามเป็นภาษาทุดท้ายแล้วเมื่อออกพรรษาปวรารณาแล้วพระองค์ก็จึงได้ตรัสเรียกพิสุทธิ์ตรัสเรียก พ, พันภาษาลิบุตรและพิสุทธิ์ทั้งหลายเพื่อที่จะเสด็จจาริกไปสู่พรนครสาวัตถี ไปสู่พรนครสาวัตถีท่านภาษาริบุตรก็ตามเสด็จไปในวันขึ้นแปดค่ำเดือนสิบสองท่านภาษาลิบุ ต, ตนนนร น, 12, น, าาตนั้นเมื่อฉันอาหารพิธบัติในตอนเช้าแล้วก็ได้เข้าในโลกสมาบัติเมื่อออกจากโลกสมาบัติแล้วก็มาลำพึงคิดว่า ในอดีตการนั้นพระบรมศาสดาปรินิพานก่อนพระสาวกพระอัครส า, าวกหรือว่าพระอัครสาวกนิพานก่อนพระบรมศาสดาท่าน菩萨ริบุตรนี้ก็จึงได้เข้าอติตังสยา น, นีก็สามารถที่รู้ได้ว่า ในอดีตการนั้นพระอัครสาวกนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เลยก็กลับมาหวนดูอายุไขของตนเองว่าตนเองนี้จะปรินิพานหรือยังเมื่อตรวจดอบอายุไขของตนเองแล้วก็ได้ทราบว่าอายุไขของตนเองนี้เหลืออีกเพียงเจ็ดวันเท่านั้นจะปรินิพาน ก็มาลำพึงว่าเราจะปรินิพานที่ไหนดีเนาะก็ลำพึงต่อไปว่าที่แท่นบรรดุกำพลศิลาอาจท่านพระราหุนพุทธอนุชท่านพระราหุนพุทธโอรสนั้นก็ได้เสด็จแต่ก็ได้ขึ้นไปปณิพนิพานแล้วที่สัจฉทันใกล้ๆกล้สัจฉทันใน ป่าหิมพานนั้นท่านพระอัญญาโกนทะยะก็ไปป ร, รินิพานแล้วเราจะไปป ร, รินิพานที่ไหนดีก็มาหวนคำหนึงนึกถึงว่ามารดาของตนนั้นแม้มีลูกชายลูกหญิงเป็นพระอรหันต์ถึงเจ็ดองแล้วแต่ว่ามารดาของเหล่านั้นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิยังไม่ยอมนับถือพระพุทธศาสนาอยู่ อย่ากันนั่นเลยเราจะกลับไปโปรดมารดาของเรานะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะปรินิพานที่ห้องที่เราเกิดโดยที่ท่านพระสารีบุตรก็มาคิดขึ้นถึงว่าอาจจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้กล่าวติชินนินทาได้ว่าท่านพระสารีบุตรนี้เป็นอัครสาวกขวายขวาเป็นคนที่มีปัญญาเลอเลิอด ม, มาก สามารถแสดงทำโปรดบุคคลอื่นนี้ให้บรรลุนับมรรคผลนิพพานนีนับไม่ถุนแต่ว่าบรรดาของท่านแท้ๆไม่สามารถที่จะเทศนาโปรดให้บรรดาของท่านนี้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้จะเป็นการแก่ข้อคันหาเมื่อท่านคิดอย่างนี้แล้วก็คิดเพื่อจะเปลื้องข้อขันหาอันนี้เสียแล้วอีประการหนึ่งก็จะเป็นการที่เรียกว่า ทดแทนพระคุณของมารดาคนตนเองดังนั้นท่านภาษาลิบุตรจึงได้ ต, ตัดสินใจที่จะกลับมาปริิพานที่ห้องที่ท่านเกิดโดยการที่จะมาโปรดมารดาเป็นครั้งสุดท้ายจึงได้ชวนเมื่อดํำลิกเช่นนั้นแล้วจึงได้ชวนท่าน <c oughs> จึงได้ชวนพระจุนทะเถร ะ, ะผู้เป็นน้องชายแท้ๆพร้อมด้วยด้วยภิกษุที่เป็นบริวารประมาณห้าร้อย <c oughs> ชักชวนในการที่จะเดิ น, าดนทางกลับมาบ้านนาลันทาอันเป็นบ้านเกิดของท่านจึงได้จัดแจงปัดกวาดเสนาสนะที่อยู่เก็บของใชขง้ของของใช้ของสอยอันเป็นของสงให้เรียบร้อยและจึงได้เตรียมบาทไดจีวรพร้อมด้วยพระจุนทะและพิสุขภูปริวานนั้นเข้าไปกราบ ไปยังพระคันธกุฏีกราบทูลองค์สุนพระสมมาสัมพุตเจ้าว่าการที่ข่าพระพุทธเจ้ามาในครั้งนี้เป็นการเป็นการที่มากราบพระบาทของพระพุทธองค์นั้นเป็นครั้งสุดท้ายข่าพระพุทธเจ้านั้นจะนิพพานในเจ็ดวันข้างหน้าและจะกลับไปนิพพานที่นารันทา อันเป็นบ้านเกิดของตนเององค์สุเดชภสษมาสมพุติเจา้าก็จึงได้ตรัสว่าขอให้เธอนั้นจงรู้การอันสมควรเธอแต่ว่าอัครสาวกอย่างเธอนั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นก่อนที่เธอจะไปปรินิพานอย่างที่บ้านนันทานนั้น เธอพึงแสดงธรรมโปรดพวกบรรดาภิกษุผู้เป็นน้องๆเพราะการเห็นพี่ชายอย่างเธอนั้นเป็นการเห็นที่หาได้ยากท่านพระสารีบุตรทรงทราบว่าพระพุทธองค์นั้นต้องการให้แสดงะธรรมเทศนาอันประกอบไปด้วยิทธ ดังนั้นท่านภาษาลิบุตรก็จึงได้กราบพระบาทของพระพุทธองค์แล้วก็ได้ทยายามขึ้นไปสู่อากาศหนึ่งชั่วลำตาจนกระทั่งถึงเจ็ดลำตาลแล้วก็จึงได้มากราบพระบาทของพระพุทธองค์ทุกครั้งแล้วได้เทศนาปโปรดบรรดาพระพิสุทั้งหลายแล้วก็จึงได้กราบ ทูลาพระพุทธองค์พระพุทธองค์นั้นได้เสด็จออกมาส่งท่านภาษาลิบุตรจนถึงหน้าพระคันธกุณดีมาประทับอยู่ที่พระแท่นหน้าพระคันธกุณดีท่านภาษาลิบุตรนั้นก็จึงได้กระทําประทักษสิงและจึงได้กราบที่พระบาทแล้วก็ถอยหลังมาจนกระทั่งพ้นทัศนวิสัยพระพุทธองค์ก็จึงได้สั่งให้พระภิกษุสงทั้งหลาย บอกว่าเอาเถิดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อเธอต้องการที่จะไปส่งพี่ชายของเธอนั้นก็ไปเถิดพระพิสูจน์ทั้งหลายก็จึงได้เดินมาส่งท่านภาษาลิบุตรจนกระทั่งถึงที่ประตูพระเชตวันมหาวิหารท่านภาษาลิบุตรก็จึงได้กล่าวกับพิสูจนทั้งหลายว่าขอพวกเธอทั้งหลายจงหยุดเพียงแค่นี้เถิดและจึงได้สั่งสอนให้พิสูจนทั้งหลายนั้นมีความไม่ประมาท มันบำเพ็ญสมณธรรมอยู่เสมอแล้วจึงได้พร้อมกับพระจุนทะและพิสุผู้บอชเป็นบริวารประมาณห้าร้อยเดินทางจากพระเชตวันมหาวิหารประชาชนแห่งกรุงสาวัตถีนั้นได้ทราบข่าวเช่นนี้แล้วก็เกิดการโกลาหลเป็นอย่างมากมีความอะไรเสดายในการที่พระอักระสาวบกคือท่านภาษาลิบุตรนี้ จะไม่ไม่มีวันที่จะกลับมาอย่างกรุงสาวัตถีอีกบางท่านถึงกรหลังน้ำตาอาลัยท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรนั้นก็เด้แสดงธรรมโปรดถึงหลักแก่นธรรมดาแห่งสังขารทั้งหลายท่านพระสารีบุตรนี้ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดประชาชนทั้งหลายที่มาห้อมร้อม และที่เดินทางผ่านมานั้นทุกวันทุกหมู่บ้านจนชั่วกระทั่งระยะการถึงเจ็ดวันจึงได้มาบรรลุถึงที่บ้านตำบล น, นารันธาอันเป็นบ้านเกิดของตนเองเอาละท่านสาธุชนและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อน ขอความเจริญผาสุขจงมีแด่ท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษารด้วยกันทุกท่านขอเจริญพร จเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็มาว่าถึงประวัติของท่านพระอักษาวกทั้งคู่ตอบเมื่อครั้งที่แล้วนั้นได้กล่าวมาถึงตอนที่ท่านภาษาลิบุตรพร้อมด้วยพระจุนทะและพิสุห้าร้อยได้เดินทางมาจนถึงบ้าน น, านันทา ในคืนนั้นเองท่านภาษาลิบุตรก็ตรัสก็ตรัสก็สั่งให้มารดาลญาติของตนเองนั้นจัดที่อยู่ให้ภิกษุทั้งหลายทั้งห้าร้อยลูกอยู่กันส่วนตัวเองนั้นก็เข้าไปพักอย่างห้องที่ตนเองเกิดในห้องของตนเองในคืนนั้นก็เกิดปักขันที่กาพาอย่างแรงกล้าขึ้น แต่อาศัยท่านพระขัะนพระขันแอนด้วยอาศัยขันติของท่านท่านก็ได้คมปักขันที่ก า, าพาดนั้นเสียเพื่อที่จะแสดงโปรดพุทธมารดาโปรดมารดาเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งท่านกล่าวว่าในขณะในหัวค่าในค่าคืนวันนั้นที่ขณะป่วยเจ็บป่วยไข้นั้นก็ได้มี เทาเจตุโลกบาลบ้างพระอินบ้างเท่าสุยามบ้างต่างๆนานา ม, มาเยี่ยมกันส่วนมารดาของตอนเองนั้นได้เห็นมีบุคคลใดบุคคลได้เห็นมีพระเ ท, พ เ, ทเทวดาเหล่านั้นมาเยี่ยมก็เกิดความสงสัยเมื่อถึงเวลยะพอสมควรแก่การแล้วท่านพระสารีบุตรนี้ก็จึงได้เรียกมารดาของตอนเองเข้าไป มันดาสงสัยก็จึงได้ถามว่าใครมาเยี่ยมท่านภาษาลีบุร ก, ก็จึงได้กล่าวว่าท้าวจ่าตุมหาราชพระอินมาเยี่ยมมัรดาก็เกิดมีจิตใจอ่อนขึ้นว่าขนาดลูกเหล่านี้ยังมีอภินิหารเพียงแค่นี้แต่เท่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ซึ่งเป็นอาจารย์ของลูกของเรานั้นจะมีอภินิหารแค่ไหน ท่านภะษาลีบุตรนี้ก็จึงได้สั่งสอนเทศนาโปรดมารดาของตนเองจนกระทั่งเกือบข้อลุงมารดาของตนเองนั้นจึงได้บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดโสตาปฏิผลเป็นพระโสดาบัน เมื่อตอนเองทราบแล้วว่ามันดาของตอนเองนั้นได้บรรลุคุณธรรมพิเศษแล้วก็จึงให้มัรดานั้นกลับไป พ, พักผ่อนส่วนท่านเองนั้นด้วยอาพาธอแรงกล้านั้นก็จึงได้ปนิพาน์ในคืนนั้นเองในตอนรุ่งเช้าท่านพระจุลธะจึงได้กระทาการชาปนากิจศพของท่านพระสารีบุตร ซึ่งท่านภาษาลิบุตรนั้นได้ปรินินิพพานแล้วในคืนวันขึ้นสิบห้าคำแห่งเดือนกติกามาสคือในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าคำเดือน1ิบสองนั่นเองในตอนรุ่งเช้าลุ่งขึ้นพระจุนทะก็จึงได้ทำชาปนากิจของพระเถระเสร็จแล้วก็จึงได้เก็บอัธิธาตบาทและจีวรของท่านภาษาลิบุตรนี้กลับไปยังพระเชตวันมหาวิหาร นำไปถวายพระบรมศาสดาพระองค์นั้นก็ทรงให้ตัดสั่งให้สร้างเป็นพระเจดีย์แล้วรร็จุธิธาตุของท่านพระเถระว้ยน้ทที่ภายในพระเชตวันมหาวิหารนั้นก็นับว่าท่านภาษาริบุตรผู้นี้ได้ปรินิพพานในพรรษาที่สี่สิบห้าของพระพุทธองค์ ก่อนพระพุทธองค์นั้นเป็นเวลาหกเดือนเป็นเวลาหกเดือนคือว่าปรินิพานในกวันเพ็ญกลางเดือนสิบสองนี่เป็นประวัติของท่านภาษาลิบุตรส่วนพระโมคคัลลา น, นั้นหลังจากท่านภาษาลิบุตรปรินิพานแล้วได้สิบห้าวันท่านก็ปรินิพานท่านก็ปรินิพาน คือปรินิพานในวันสิ้นเดือนสิบสองคือในวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบสองมีเรื่องเล่าว่าท่านพระโมคคัลลานะนี้ในการที่จะปรินิพานนั้นท่านได้ถูกโจรห้าร้อยคนทำลายท่านหรือว่าทุบตีท่านท่านนั้นได้ตำาดาท่านท่านนั้น ที่เหตุที่ถูกโจรผู้ลายทุกตีนั้นก็เนื่องจากว่าพวกเดลถีคือพวกนักบวชนอกศาสนาตั้งแต่อักรษรศาววคือท่านพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลา น, านีได้ละทิ้งปริภาชาการามคือสำนักของอาจารย์สนชัยเสียปรากฏว่าลาภสการะของอาจารย์สนชัยเนี่ย ได้ตกต่ำหรือว่าเสื่อมลงทันทีในขณะที่สองสหายนี้ได้บวชเป็นปริภาชก ค, คือเป็นอุปติสสะปริภาชกและโกริตตปริภาชกนั้นปรากฏว่าเอกราภได้เกิดขึ้นแก่สำนักหรือรัติของอาจารย์สนชัยนี้เป็นอย่างมากแต่เมื่อท่านทั้งสองนี้ได้ละทิง้งรัติอนันเสียกลับมาบวชในพุทธศาสนาปรากฏว่าเอกราภ ได้เสื่อมจากพวกเดรัถถีเป็นอันมากดังนั้นพวกเดรัถถีทั้งหลายเมื่อบรรดาลาศ ก, กาละที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมลงนี้ก็เป็นอยู่ลําบากก็มาปรึกษากันว่าการที่พวกเราทั้งหลายนี่เสื่อมลาศ ก, กาละนี้เพราะเหตุที่พระโมคคัลลานะเป็นต้นเหตุเพราะท่านพระโมคคัลลานะนี้ท่านสามารถนําข่าวในสวรรค์และนรกมาแจ้งแก่มนุษย์ได้ จึงชักนำให้ประชาชนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสถ้าหากพวกเราทั้งหลายนี่กําจัดพระโมคคัลานะเสียได้แล้วลทัทธิของฝ่ายพวกเราก็จะลุ้งรวงขึ้นอีกเมื่อปรึกษากันได้เช่นนี้แล้วก็คิดดำริที่จะจ้างโจลผู้ร้ายให้มาลอบฆ่าพระโมคคัลานะแต่ว่าต้องใช้ทรัพย์ในการที่จะจ้างโจลเหล่านี้ ก็เห็นมีบุคคลผู้เลื่อมใสคร่าววาดผู้เลื่อมใสข้างตนเองนั้นที่พอจะหาทรัพย์ให้ได้วันหนึ่งเมื่อประชาชนที่เลื่อมใสข้างตนเองมาอย่างที่อยู่ข้างตนเองยกมือไหว้แล้วพวกเดรัทธีทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่พูดตอบจนกระทั่งที่บุคคลที่เลื่อมใสนั้นก็เกิดความ เคลือแผลสงสัยขึ้นถามว่าข้าพเจ้านั้นมีความผิดเช่นไรพระคุณเจ้าจึงไม่พูดกับข้าพเจ้าด้วยพวดิลัทธิลนั้นก็จึงได้พูดว่าท่านไม่เห็นหรอกหรือว่าลัทธิของพวกเรานั้นได้เสื่อมโทรมลงมากกับเพราะใครชายผู้นั้นก็บอกว่าไม่ทราบก็จึงได้พูดให้ฟังว่า ลทัทธิของฝ่ายเหล่านั้นที่ได้เสื่อมโทรมลงมากนั้นก็เพราะเหตุที่พระโมคคัลลานะเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นเราควรที่จ ะ, จะกําจัดพระโมคคัลลานะเสียการที่จะกําจัดพระโมคคัลลานะนั้นน่ะจะทํำยังไงชายหนุ่มผู้ไอ้ชายผู้นั้นก็จึงได้ถามต่อไปอีกพวกเดลทีทั้งหลายก็บอกว่าต้องจ้างให้พวกโจรนั้นไปคอยฆ่า การจ้างนั้นก็ต้องใช้ทรัพย์ก็จึงให้ชายผู้นั้นเป็นคนที่เรียกว่าจัดการหาทรัพย์ชายผู้นั้นก็จึงได้เลี่ยนลายในบรรดาพวกคนที่นับถือในฝ่ายพวกดิลถีนั่นจนกระทั่งได้ทรัพย์มาหนึ่งพันกหาปณะนะก็จึงไปจ้างโจนนี้ให้ฆ่าพระโมคคัลลานะเสียโจนทั้งหลายเมื่อได้ทรัพย์ มาแล้วในการที่เราข่าเนี่ยก็ไปดักท่านพระโมคคัลลานะซึ่งขนาดนั้นท่านอาศัยอยู่ที่ตำบลกาลสิลาเนี่ยอยู่ที่ตำบลกาลสิลาท่านพระโมคคัลลานะท่านทรงทราบท่านทราบท่านก็หนีเสียเวลาโจรมาล้อมที่กุฏิท่านอยู่ท่านก็หนีออกทางช่อฟ้าบ้างหนีออกไปเสีย โจรทั้งหลายไม่สามารถที่จะทำร้ายท่านใดโจร น, นี้พยายามอยู่ถึงครั้งที่สามท่านพโมคะลานะนี้ก็ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมของท่านกำลังตามมาอยู่ดังนั้นท่านจึงยอมให้โจร น, นี้ในครั้งที่สามนี้จึงไม่หนีจึงยอมให้โจรยอมให้โจรทั้งหลายนี้ทำร้ายท่าน โจรทั้งห้าลอยนี้ได้ทำ้ายท่านพระโมคคัลลานะนี่ได้ทุบตีท่านพระโมคคัลลานี่ท่านบอกว่าเล่ตันดูกนี่ละเอียดไปหมดก็เข้าใจว่าท่านพร ะ, พระเถระนั้นน่ะท่านพระโมคคัลลานะเถระนั้นตอนนี้นิพานแล้วก็จึงได้นำเอาล่างของท่านเนี่ยไปทิ้งไว้ในป่าแห่งหนึ่งแล้วก็จึงได้หลบหนีไปแต่ว่าในขณะที่ท่านพระโมคคัลลา น, นี้ จะยอมให้โจรทุบนั้นท่านได้เข้านิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าด้วยอนุภาพของนิโรธสมาบัตินี้แม้จะมีภูเขาหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทับก็าตามไม่สามารถที่จะทำให้ตายได้หรือว่าไม่สามารถจะทำให้ชีวิตได้สำหรับบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติ ท่านพระโมคคัลลานะนี้ท่านก็เข้าในโลกทศมาบัิเพราะฉะนั้นโจรทุบแล้วเมื่อโจรหลีกไปท่านก็ยังไม่ตายเมื่อโจรหลีกไปแล้วท่านก็ได้เยียวยาสรีระร่างกายของท่านนี้ให้ปราศจากโลคาพาดแล้วก็จึงได้มาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระเชตวันมหาวิหารที่พระเวฬุวันมหาวิหารมากราบทูลลาพระองค์นั้น พระบรมศาสดานั้นปรินิพานเพราะพระบรมศาสดานั้นเมื่อท่านพระมหาโมคคลานะปรินิพานมากราบทูลาปรินิพานนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าการที่จะได้เห็นสาวกเช่นเธอนั้นเป็นของไหาได้ยากเพราะฉะนั้นเธอนั้นจงแสดงธรรมโปรตถาคตเป็นครั้งสุดท้าย ท่านพระมหาโมคคลานะนี้ก็จึงได้ถวายพระธรรมเทศนาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ทำประทักษิณกราบทูลลาพระองค์พระพุทธองค์นั้นกลับไปปรินิพานณสถานที่เดิมคือที่กาลศิลาการปรินิพานของท่านนั้น ท่านปรินิพานในวันสิ้นเดือนสิบสองหรือเรียกว่าในวันดับแห่งเดือนกษิกามาภภายหลังท่านภาษาลีบุตรหนึ่งปักหรือสิบห้าวันท่านได้ปรินิพานนั้นก่อนพุทธปรินิพานก่อนพระผู้มีภาคเจ้าปรินิพานนั้นห้าเดือนครึ่งพระบรมศาสดานั้น เมื่อทรงสอาด พ, พร ะ, ะพระมหาพระมหาโมคคลานะปรินิพานแล้วก็ได้เสด็จไปทําชาปน ก, กิจด้วยพระองค์เองแล้วก็รับสั่งให้เก็บอธิทฐานของท่านพระมหาโมคคลานะนั้นมาบรรจุในพระเจดีย์คือก่อบพระเจดีย์ขึ้นแล้วบรรจุไว้ที่ใกล้ซุ้มประตูแห่งพระเวฬุวันมหาวิหาร ท่านภะษาลิบุตรนั้นอัติท่าของท่านพระองค์ทรงตรัสให้สร้างเป็นพระเจดีย์บรรจุไว้ที่ซุ้มประตูแห่งพระเชตวันมหาวิหารแต่ท่านพระมหาโมคลานานีสั่สงให้ก่อพระเจดีย์บรรจุไว้ที่ซุ้มประตูพระเวลวันมหาวิหารกรุงราชคลืของท่านภาษาริบุตรนั้นที่กรุงสาวัตถีอยู่คนละแห่ง เหตุใดท่านพระโมคคัลลานะนี้จึงโดนโจรทุกแล้วท่านจึงไม่หนีเพราะมองเห็นแล้วว่ากรรมตามมาทันท่านกล่าวว่าในอดิตชาตินั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะนี้เคยทุบตีบิดามารดาซึ่งมีเรื่องเล่ามาว่าในครั้งหนึ่ง ถอยหลังไปประมาณห้าร้อยชาติท่านพระโมคคัลลานะนี้เป็นลูกของบิดามารดาคู่หนึ่งซึ่งอยู่ต่อมานั้นบิดามารดาทั้งคู่นี้ตาเสียในเมื่อแก่เท่าฉลาขึ้นท่านพระโมคคัลลานะนี้เป็นคนที่มีความกระตันยูกะตะเวทีต่อ บ, บิดามารดาเป็นอย่างมาก บิดามารดานี้ต้องการให้บุตรของตัวเองอสงสารบุตรของตัวเองเพราะเหตุที่ว่าบุตรของตัวเองนี้มีเพียงคนเดียวในตอนกลางวันนั้นก็ต้องไปทำงานนอกบ้านเกี่ยวก็ทำไล่ไถนา ม, มาเลี้ยงบิดามารดาเมื่อกลับมาแล้วก็ต้องมาหุงข้าวหุงปลาให้พ่อให้แม่กินอีกก็เห็นความทุกข์ลบากของบุตรนี้ก็ต้องการให้บุตรนี้มีพัญญา เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระงานทางบ้านมากก็ไปอ้อนว อ, อนบอกกับบุตรที่จะให้มีพัญญาให้แต่งงานแต่บุตรนี้ก็ปฏิเสธบอกว่าอยากจะเลี้ยงบิดามารดานี้ให้ตลอดชีวิตซะก่อนตอนนี้ยังไม่อยากจะมีครอบครัวแต่บิดามารดานี้ก็พยายามอ้อนว อ, อนอยู่หลายครั้งโดยการพูดว่า ถ้าหากว่าเจ้ายังไม่เป็นฝังเป็นฝาพ่อแม่ก็ น, นอนตายตาไม่หลับดังนั้นเมื่อลูกชายคือโมคลานะนี้ไม่สามารถที่จะทัดทานความประสงค์ของพ่อแม่ได้แล้วก็จึงได้บอกผู้หญิงที่ตนเองรักใคร่พ่อแม่นั้นก็จึงได้ไปขอหญิงนั้นมาเป็นศีสะพยแต่ศีสะพยนั้น ก็เป็นคนที่ปฏิบัติอุปถาบิดาพ่อผัวแม่ผัวดีในตอน แ, แรกๆแต่ในตอนอยู่ต่อไปในนานเข้าก็เกิดความอิหนาและอาใจยเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นก็คิดที่จะให้สามีของตอนเองนั้นขับพ่อแม่ออกไปที่จนอกไปโดยการหวังที่จะอยู่กับสามีพัญญา อ, อยู่กันเพียงสามีพัญญาเท่านั้นก็จึงได้นาเรื่องนี้ ไปกล่าวแก่สามีของตนเองตอนแรกๆสามีนั้นก็นิ่งเฉยเพราะความเป็นผู้รักความประทันอยู่ต่อพ่อเ่อแม่พัญญานั้นก็พยายามใส่ลายป้ายสีทุกสิ่งทุกอย่างใส่ไล่ป้ายสีพ่อผัวแม่ผัวทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่สามีของตัวเองนั้นไปทํางานนอกบ้านตัวเองอยู่ในบ้าน ก็เอาข้าวปลาอาหารนี้ทำรสเค็มจัดบ้างไปให้พ่อให้แม่เมื่อพ่อแม่บอกว่าเค็มไปก็เอารสยังจืดไปให้พ่อแม่ก็บ่นว่าจืดไปก็หาว่าพ่อแม่เนี่ยบน่นงงนอย่างนี้เดี๋ยวหาว่าเค็มไปบ้างจืดไปบ้างแล้วก็ทําอาหารข้าวปลาอาหารให้เลอะเถอะเมื่อสามีเขาตนเองกลับมาแล้วก็จึงได้บอกฟองสามีของตัวเองว่า นี่คือพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งคู่ทำเละเทอะไว้สามีนี่แหลกๆ ก, ก็ทนทนอดทนได้แต่อยู่ต่อไปต่อไปก็ไม่สามารถที่จะทนได้ก็เอนโอนไปทางมันผัญญะของตัวเองก็คิดที่จะนํามารดา a m b i t d h a r m ของตัวเองนี้พ่อแม่ของตัวเองนี้ไปฆ่าเสียก็โดยกล่าวลวงพ่อแม่ว่าญาติที่บ้านโน้น เขาคิดถึงให้พาพ่อแม่นี่ไปเยี่ยมส่วนผู้แม่ทั้งคู่ก็ไม่ทราบนึกว่าลูกของตนเองพูดจริงก็จริงได้ขึ้นเปลี่ยนเกวียนไปก่อนลูกชายพอไปถึงในตรงในในกลางดงนั้นลูกชายนั้นก็จึงได้ได้มอบเชือกให้แก่ผู้ที่เป็นบิ ด, ดาโดยกล่าวว่าให้ถือเชื่อไว้ก่อน ให้หยุดโคให้หยุดเกวียนไว้ตนเองนั้นต้องการจะไปถ่ายทุกข์แล้วก็เข้าไปในป่าแล้วก็ทำออกมาเป็นเสียงโจรปล้นโดยเข้ามาตีเกวียนตีพ่อตีแม่โดยกายว่าทาเป็นพวกโจรเข้ามาปล้นฆ่าตายในขณะที่พ่อแม่ทั้งคู่นั้นโดนลูกชายของตัวเองที่แปลงมาทำเสียงว่าเป็นโจรเข้าตีทุบตีอยู่นั้น แม้ตนเองถึงจะเจ็บจะปวดงั้นก็จึงได้ร้อนตะโกนบอกลูกชายซึ่งได้กล่าวเท็จว่าจะเข้าไปถ่ายอุจจาระนั้นบอกว่าให้ลูกนั้นหนีไปเสียในขณะนี้โจรกำลังจะฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วขอให้เจ้าจงหนีเอาตัวรอดด้วยคำเพียงเท่านี้เองทำให้ลูกชายนั้นเกิดระลึกขึ้นได้ว่าความรักของพ่อแม่นั้น แม้ตนเองจะตายแล้วยังไม่ได้เสียดายชีวิตแต่ว่ากลัวชีวลูกของตัวเองนั้นจะเป็นอันตรายอุตสา์ตะโกนให้ลูก น, นั้นหนีเอาตัวรอดด้วยคำเพียงเท่านี้เองทำให้ลูกชายนั้นระลึกขึ้นได้ก็จึงทำเสียงเป็นเหมือนกับว่าตนเองนั้นทำธุระเสร็จแล้วกลับมาไล่โจนหนีไปแล้วก็ปลอบพ่อแม่ทั้งสองนั้นให้ หายความตกใจกลัวแล้วก็จึงได้พาพ่อแม่ทั้งสองนั้นกลับมายัางบ้านของตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไปจนกระทั่งตลอดชีวิตแต่เพราะกรรมที่ตนเองนั้นได้กระทำต่อพ่อแม่ได้ตีพ่อแม่นั่นเองปรากฏว่าลูกชายนั้นเมื่อได้ตายจากไปไปตกนรก ไปตกนรกอยู่ในอบายภูมิเมื่อกรรำอันนั้นพอเบาบางแล้วเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ถูกเขาฆ่าตายถึงห้าร้อยชาติในชาติสุดท้ายนี้ก็มาเกิดเป็นพระโมคคัลลานนะเมื่อเกิดเป็นพระโมคคัลลา น, นะแล้วแม้แต่ว่าจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก ร, รัมยังไม่ยอมก ร, รมยังตามสนอง ไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมจะหมดกรรมในอดีตในอ่าในปัจจุบันนี้ยังมาตามสนองแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วปริิพานไปแล้วดับไปไม่เกิดอีกกรรมก็กลายเป็นอโหสิกรรมไปแต่ในขณะที่ปัจจุบันนี้กรรมยังไม่ยอมให้ยังตามสนองเพราะฉะนั้นการที่ท่านพระโมคะลานะนั้นถูกจนห้าร้อยทุบนี้ ก็เพราะเหตุที่ว่ากรรมที่ตนเองนั้นเคยทุบตีพ่อแม่มาแล้วในอนดีตชาติซึ่งชาติที่เป็นพระโมคคัลลานะ น, นี้โดนฆ่าตายเป็นชาติสุดท้ายเพราะฉะนั้นถึงแม้ท่านพระโมคคัลลานะ น, นั้นอโดนโจรทุบยังไม่ตายก็ดีด้วยอำนาจท่ว่าทรงได้ด้วยอำนาจท่ว่าเข้าในโรกสมาบัติกันจริง เมื่อโจรนั้นหนีไปแล้วหลบหนีไปแล้วจึงได้เยียวยาสรีระของตนเองนั้นกลับมาทูลลาพ ร, พ, พระพุทธองค์กลับปณิพนัส น, นั้นก็เพราะเหตุที่บาดแผลที่โดนทุบนั่นเองปณิพนิพานด้วยบาดแผลอันนั้นอันนี้จึงเป็นคติเตือนใจประการหนึ่งว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างมากถ้าหาผู้ใดไปกระทำความผิด เช่นทุบตีพ่อแม่แม้แต่ท่านพระมหาโมคคลานะนี้เพียงแต่ทุบตีพ่อแม่เท่านั้นยังไม่ถึง ก, การฆ่าพ่อแม่ยังโดนเขาทุบตีเนี่ยตายถึงห้าร้อยชาติซึ่งในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอันนี้ก็น่าจะเป็นคติเตือนใจเราท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังว่าพ่อแม่น่ะมีพระคุณอย่างยิ่ง เพราะพ่อแม่นี้ท่านเปรียบเหมือนกับพระอาหารหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันที่ว่าเปรียบเหมือนพระอาหารหันต์นั้นเพราะว่าในอนันตริยกรรมห้าประการนั้นข้อหนึ่งฆ่าฆ่ามารดาข้อสองฆ่าบิดาข้อสามฆ่าพระอาหารหันต์ข้อสี่ทำโลหิตตุบัดและข้อห้านั้นก็คือทำลายสังกษี กรรมห้าประการนี้บุคคลใดกระทําแล้วปิดทางสวรรค์ปิดทางพระนิพพานมีแต่ไปอเวจีมหานรกอย่างเดียวหรือว่าไปอวัยภูมิเพียงอย่างเดียวกรรมห้าประการนี้ที่ว่าปิดมรรคปิดผลปิดมรรคผลนิพพานแล้วปิดสวรรค์นั้นจะดูได้จะเห็นได้เช่นพระเจ้าชาติสตรูพระเจ้าชาติสตรูนี้ ทำปิดตุกขาตคือฆ่าพระบิดาคือพระเจ้าพิมพิสัตต์ต่อมานั้นเกิดสลดสังเวชใจระลึกถึงความผิดของตัวเองนั้นนับถือพุทธศาสนาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระองค์ก็ได้ตรัสแก่พิสุทธ์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายถ้าพระเจ้าชาติศัตรูนี้ ไม่กระทําปิตุคาตในปฐมวัยนั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเธอจะบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วในปัจฉิมวัยนั้นเธอก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่นี่คุณธรรมที่จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็ดีหรือเป็นพระอรหันต์ในปัจฉิมวัยก็ดี ของเธอได้ถูกทำลายไปเสยแล้วเพราะเหตุที่ว่าเธอนั้นทรงทำปิตุคาตคือฆ่าบิดานี่แหละจึงได้กล่าวว่าบิดามาันดานี้เป็นผู้ที่มีคุณมากเปรียบเทียบกับพระละหันเหมือนกันเพราะฆ่าพระละหันก็เช่นเดียวกับฆ่าพระบิดาบิดามารดาเมือนกันเพราะเหตุที่ว่าเป็นอนันตริยกรรมเหมือนกันดังนั้นถือว่าอนันตริยกรรมนี้เป็นกรรมอันหนักมาก บุคคลใดทําแล้วบุคคลนั้นห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานไปอบายภูมิเพียงอย่างเดียวจะเห็นได้เช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วก็ท่านพระมหาโมคคลานะนี้เป็นตัวอย่างดังนั้นเราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในผู้ให้กําเนิดทั้งสองจงประคับประคอง เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกะตะวีกะตะเวทีต่อท่านอันนี้จะเป็นมงคลอันสูงสุดดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่ามาตาปิตุอุปถานังเอตัมมังคารมุตตะมังการเลี้ยงการเลี้ยงดูบิดามารดาอุปถาพุ่งลุงท่านให้มีความสุขนั k นเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ว่าเป็นมงคลนั้นคือเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองแม้ถึงคราวที่จะ ตายนันก็สามารถที่จะรอดพ้นในความตายไปได้เรียกว่าผ่านพยามัจจุราชไปได้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นความสิริมงคลแก่ตนเองเพราะการเป็นผู้กระตัญยูกิตเวธิธีเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ประวัติของท่านพระอักษสาวกทั้งสอง <c oughs> ที่ได้กล่าวมานี้ก็จบโดยสมบูรณ์ ประวัติของท่านภาษาวกทั้งสองนี้นับว่าเป็นทิฏฐานนุกติคือเป็นแบบอย่างของเราท่านทั้งหลายอย่างมีคุณค่ามากดังนั้นก็ขอยุติไว้แต่เพียงคนี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร